เ่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาสรุปสติปฏิปทะาในการปฏิบัติเพื่อเป็นบสดาสีทาคาอนาคารหันท่านนี้พ่อไรเพราว่าที่พูดมาแล้วรู้สึกว่ายืนเยอะน่ารำคาญใจท่านผู้มีปัญญา ด, ดีแล้ว หรือว่าท่านผู้มีความเฉลามฉในปฏิบัติการปฏิบัติท่านฟังมาแล้วท่านคงจะลำคาญใจมานานเพราะว่าปฏิเวทาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทุกชั้นความจริงมีอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมากขอย้อนไปถึงเรื่องราวในสมัยที่องสมเด็จพระผู้มีพระภาเจอออ้ายังทรงพระชนอยู่ ในสมัยนั้นมีพระเข้าไปศึกษาเรียกกรรมฐานก็นาางกนองค์สมเด็จพระบร ม, มครูเมื่อศึกษาแล้วเอาสุกสทันศึกษากันในความจริงไม่ได้พูดมากองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนได้เพียงย่อยๆเท่านั้นและท่านโบนั้นท่านเป็นคนดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีบารมีครบ ว่ามีวิทยะบารมีเป็นอย่างยิ่งมีขันติบารมีเป็นอย่างยิ่งมีปัญญาบารมีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งก็มีปัญญามีวิทยะมีขันติเป็นสําคัญเมื่อฟังคำสั่สอนจากองค์สมเด็จพระสุนทันแล้วว่านำไปปฏิบัติไม่เห็นว่ามีใครต้องกลับมาถามองค์สมเด็จพระสุนสัรมากนะักจะมีบางพวกเท่านั้น ที่ไปแล้วไม่สมําเร็จมักไม่สมําเร็จผลกลับมาหาอง์สมเสร็จปฐุสกุลใหม่องส ม, ส ม, งสมเสร็จไปจอนไตรแนะนําอีกนิดหน่อยข่้นกลับไปปฏิบัติก็เป็นพระละหันเมื่อดูแล้วการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่ยากสําหรับคนเอาจริงแตเรื่องคนไม่เอาจริงไม่ใช้เป็นยาเป็นเครื่องพิจารณานี่ใครก็สอนไม่ได้ มีตัวอย่างทมไปในสมัยมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงเผยชนอยู่มาวันนี้เราก็มาพูดกันด้านสรุปที่พระศึกษาประทำคำสั่สอนจากองค์สมเด็จพระบร ม, มครูเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเวลาจะเข้าป่าก็เข้าเวลาภาษารีบทภาษารีบุ ร, รบก็แนะนำข้อวัดปฏิบัติตามสมควร คำแนะ น, นำในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้รู้จักรักษากำลังใจเห็นรู้ว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราริตุขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำมิทุกขังความตายเป็นทุกข์แล้วสโสกะเวทีวทุกขโ ท, ข ท, ข ท, ขทขมนัสเป็นต้นเรื่องความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ ความท้าทายจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกแล้วก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะปรากฏมีเป็นทุกข์ก็มาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสําคัญถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวสิ่งที่พูดมาแล้วทั้งหมดมันก็ไม่มีแต่การไม่เกิดนี้ก็ควรจะไม่เกิดประเภทเข้าถึงพระนิพพาน <c oughs> ว่าตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็เรีย ก, กิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นเอสุรกายก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเป็นเทวดาก็เกิดเป็นพรมก็เกิดเราคนหาทางไม่เกิดคือไปพนิพันธ์สำหรับพนิพันธ์นี้เคยพบในบพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็พจพระจินดารสีทรงตอบปัญหาของธรรม รามถามว่าพันิพภานไม่เกิดใช่ไหมองสมเด็จพระจอ ม, มตายทรงตรัสว่าสําหรับพันิพภานจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช้าชาใช้คํำว่าเกิดก็ต้องมีตายเพราะพันิพภานเป็นแดนอมตะไม่เป็นแดนที่ไม่มีความตายตอนนี้ท่านสงสัยก็สงสัยไปเถอะไม่แก้ให้ฟังถ้าอยากจะเข้าใจก็ทําใจถึงพระลาหนเอง แมาพูดตอนนี้ดีไม่ดีก็จะมาโมเมโปเปตานังเอาคนพูดเป็นพระอรหันไปด้วยไปช่วยกันกระเพือข่าวว่าธรรมาเป็นพระอรหันไปมากมายแล้วคำเนียธรรมาไม่ขอยอมรับใครก็ถามว่าเป็นท่านเป็นพระอรหันหรือไม่เป็นพระอรหันไม่ยอมรับทั้งหมดทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรจะยอมรับ เพราเวลานี้อยู่ในฐานะพระแก่ที่กำลังจะตะบันน้ากินอยู่แล้วจอคลานไปไหนแม่ก็ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วจะหันหรือไม่หนมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรคันห้านี้ก็ชื่อว่าตัดยายกขาดมิจกันแต่ว่าถ้าจิตไม่หมดจะกิเล็กก็ต้องไปมีคันห้าใหม่จะมีใหม่หรือไม่มีใหม่ก็ช่างหัวมัน เวลานี้เราไม่สนใจมัน ก, ก็นหมดเรื่องกันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายไม่ได้เคยห่วงใยอะไรทั้งหมดที่ไม่ห่วงใยนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็รู้ว่ามันเมลสภ า, าวะของมันเป็นอย่างนั้นจะมานั่งห่วงใย ท, ทําไมจะไปสนใจกับอะไรกับมันมันจะป่วยถ้าเรามีงานก็ทําทําไว้แล้วก็ทําทําไม่ไ ว, แว้แล้วก็เลิกทําแล้วก็เลิกทําเสีย มันก็หมดเรื่องกันตอนนี้มาพูดกันถึงพระที่อยากเข้าไปถึงไปหาภาษารีบุตรภาษารีบุตรแนะนำอย่างนั้นท่านก็อยากเป็นพระระหันบ้างท่านก็ถามว่าพวกผมที่เป็นปุถุชนคธนธรรมดาคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสถ้า ต, ต้องการจะเป็นพระโสดาบันทำยังไงครับ เภสัชิุตดก็ตอบว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านเือรุ่มอย่างนี้แล้วไมช่ช้ท่านก็เป็นพระโสดาบันท้าผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องเป็นเป็นต้องการเป็นพระสกิทาคามี จะทํำยังไงครับท่านก็บอกกูว่าตั้งกําลังใจให้ดีแล้วก็พิจารณาแบบนั้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขันิญาณที่เรียกว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่คงเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านละเอียดเข้าท่านก็เป็นท่านสกิทาคามีพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าในเมื่อครับผมเป็นสกิทาคามีแล้วต้องเป็นการเป็นพระนาคามีทาำยังไง แต่ก็บอกว่าพิจารณาอย่างนั้นแหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนิญยานนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใยละเอียดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนิญานไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงท่านก็เป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็ถามพระก็ถามตอบเว่าในเมื่อผมเป็นพระอนาคามีแล้วต้องการเป็นพระรหันผมจะพิจารณาอย่างไง เนี่ยตอบว่าพิจารณาแบบเดียวกันคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขันญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, เร า, เ, ราเราไม่มีในมันไม่มีในเราเราไม่มีในมันมันกับเราไม่ใช่ส่วนเดียวกันคือมันก็มันคือขันห้าเราคือจิตเมื่อจิตจะไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแค่อย่างเดียวเขาก็เป็นพระอรหันทรัพย์พวนั้นก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อเป็นพระอรหรันแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมหยุดเลย ท่านบอกว่าไม่ใช่พระอหันต์ก็ทําอยู่เสมอเพื่อทรงอยู่ความเพื่อทรงความเป็นสุขทําให้ใจเป็นสุขรวมความว่าสําหรับพระอรหันต์ก็คิดเป็นปกติว่า ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในความจริงปฏิเวทาการปฏิบัติเป็นพระ อ, อริยเจ้ามีอยู่เท่านี้เองที่พูดมาทียืดยาวแต่ความเจียงสร้างความยุ่งสร้างความยาก แต่ก็ต้องพูดกันเพราะว่าไอ้ที่พูดมานั้นมันก็ยังย่อที่พูดกันจริงๆเราพูดกันมากกว่านั้นทําไมจึงพูดมากก็มีคนสงสัยมากถ้าว่ากันถึงการศึกษาในการปฏิบัติจะเข้าถึงความเป็นพระอาริยเจ้าถ้าศึกษากันมากเกินไปนี่รู้สึกก็จะยุ่งมาเพราะอะไรก็เพราะว่าอารมณ์ไม่สามารถจะจับจุดไหนพบ ถ้าเรามาพูดกันที่จุดนี้จริงๆเอาใจเข้ามาตั้งกันจริงๆทั้งชายทั้งหญิงที่พิสุทธมเมณเฑนูบาสุขบาสิกาเหมือนกันมานั่งพิจารณากันจริงๆว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็นั่ง ว่าร่างกายนี่มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงของเราจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องอยู่ในอำนาจของเราอย่างแก้วที่วางไว้ขนาและพาชนะที่วางไว้ที่มันเป็นสมบัติของเราไม่มีใครอุ่นคนอื่นมาเป็นเจ้าของเราจะหยิบไปไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะคว้าทิ้งไปมันก็ไม่ว่าถ้ามีคนอื่นเป็นเจ้าของเราทาอย่างนั้นไม่ได้ เจ้าจของก็บอกว่าของตรงอันนี้วางไว้ตรงนี้นะถ้าเราไปแตะต้องเข้าเจ้าของเขามาก็ว่าเอานี่เรื่างกายก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็จะต้องบังคับมันได้ว่า น, นี่เธอไอเรื่องความหิวเนี่ยมันยุ่งจงอย่าหิวต่อไปเลยนะฉันเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเน็ดเหนื่อยม า, มากแต่คืนเหนื่อยแบบนี้ฉันทนไม่ไหว ถ้ามันเชื่อเราไหมกินมันแค่พอเคยกินวันละหนึ่งกิโลวันนี้กินสิกิโลให้มันอิ่มไปสิบวันทําได้ไหมมันก็ไม่ได้ต่อไปเรื่องความแก่ความเสื่อมของร่างกายบอกกับเขาที่บอกนี่ฉันเลี้ยงเธอมานะเธอต้องการอะไรฉันก็หาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอจงอย่ากแก่นะถ้าขืนแก่แล้ะฉันมันยุ่งจงอย่ากแก่ต่อไป ให้ทรงกายอยู่อย่างนี้แล้วก็หาหมอมาเอายากันแก่บ้างหาฤๅษีมาเสกกันแก่บ้างหาเวทมนต์คาถามาภาวานากันแก่บ้างแล้วมันแก่หรือไม่แก่มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเจ้าของขันห้าคือใคร ก็ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี่เขาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่ขันห้าจะปรากฏได้ก็เพราะจิตไปคบกับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเขาตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องการเกิดอีก <c oughs> <c oughs> เราไม่ต้องการมีขันห้าอีก <c oughs> เราก็ต้องแยกเลิกคบกับกิเลสความชั่วของจิต ตัณหาความดะยานอยากอยากของจิตอุปาทานคือความยึดมั่นของถือมั่นของจิตอากุศลคืออารมณ์ชั่วก็ได<ม>้แก<อ>่ใใที่เรามีความคิดที่ความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเองความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าตัดอารมณ์อย่างนี้เช่นได้แล้วธรรบันดาท่านพุทธบริัทชายหญิงความสุขมันก็เกิดกับจิต เมื่อร่างกายว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นคนเราเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกอย่างอันไหนเราที่เราจะเห็นว่ามีความสําคัญทรัพย์สมบัติจริงๆที่เห็นว่ามีความสําคัญนั่นก็คือร่างกายเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุที่ที่ว่ารักจริงนะความจริงมันไม่รักยิ่งไปกว่าร่างกายของเรานี่พูดกันถึงอารมณ์รัก ที่รักจริงๆจะ ร, รักสามีรักพัญญารักบุตรรักธิดาบอกว่ารักมากๆเราจะวิสุทธิ์กันได้เอาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากที่สุดมาเยือนเคียงข้างกับเขาเราย่องไปข้างหลังเอาทานไฟที่ลุกจุดแดงชนวางใบบนีิสา พ, พร้อมๆกัน ถ้าดูได้ว่าคนไหนคนที่เขาบอกว่ารักคนนั้นมากเขายาปัดทันนไฟที่บนทิ่ศัคนนั้นก่อนนะปัดบนหัวองเขาก่อนคนนี้สุดเขาก็จะยกมือเขาไล่ปัดทัานไฟบนหัวของเขาก่อนนี่สนแสดงว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่ารักคนอื่นว่าอาจาที่บอกว่ารักคนอื่นรับสินรักทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าตัวนี่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดเทิด น้อยคนนักนอกจะใช้มายาสาไถายเท่านั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้มันเนื้อเราถอดความรักร่างกายของเราเส้นได้แล้วมันก็หมดเรื่องกันความเป็นบระโภคดาศิกิทาค า, า, า, ารนาคารหันก็รู้สึกว่าเป็นของย่อๆเป็นของเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่นี่พูดถึงคนมีปัญญาที่เข้าถึง มีอารมณ์ที่เข้าถึงต้องอาศัยบารมีสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วไปนั่งไล่เบียรกันทุกวันไล่เบียรบารมีสิบให้มันครบทวนเสียจิตใจที่พร้อมในบารมีสิบประการเรื่องการเปลี่ยนผราหลานไม่ใช่ของยากอันนี้เขาบอกว่าพูดตามตารานะไม่บุคคลผู้พูดบรรลุแล้วพูดกันมาอย่างแบบตำราประเดี๋ยวจะมาโมเมกันอีก ถ้โาโฆษณาดำนี่เป็นพระรหันต์บางท่านก็เลยโฆษณาไปว่าอดอุตริมนุสธรรมก็ว่าดินเข้าไปเถอะเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของใครไม่เคยรับเข้ามาเลยเรื่การเท่าไหรแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าพยากรณกันตัวเองยังไม่ได้พยากรณ์คนอื่นจะมาพยากรก็ได้ยังไง และคนที่รับฟังก็เหมือนกันรับฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารว่าโป่งเปล่งอกอกมเลยนั่พอดีกันเป็นอันว่าคนโฆษณากับคนรับฟังราคาเดียวกันก๋วยเตี๋ยวสองชามห้าสตัง์เหมือนกันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชามละสามบาทอันนี้เรามาพูดกันว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วสำหรับพระทรงตัวอยู่ได้ และคราวาดไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ ใ, ในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัสจะแต่บอกว่าคนที่เป็นคราวาสเป็นอราหันต์แล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่เจ็ดวันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่าเจ็ดวัน ว, วันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกนางยักษ์สิณีแปลงเป็นวัวแม่ลุก่อนคิดตายทุกคน บางทีฟังเทศจทราวไปเจ็ดวันตอนนี้อาตามาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระรหันในสมัยเป็นขราวัตและเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กัณยานชนคนดีเของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้อย่างก็ไม่รู้กัณยานชนห ม, ม้ยว่าที่ว่าคนมีฌานที่ก็ลือกันว่าพระมาหาวีระหรือฤษีดึงดำ ไม่ใช่เป็นพระราหารันเป็นพระทรงฉานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านโบนั้นก็ย่องพยากรเสร็จแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นคืนรู้มากกว่านี่ชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระราหารันถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้พระว่าทรงชีวิตอยู่ไม่ได้ นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอาตมาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระมีพระภาเจ้าจะได้พูดให้เขาใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอจินไตเป็นสภาวะที่ชาว บ, บ้านไม่ควรคิดคิดยังไงมันก็ไม่ออก แม้แต่ปุถชนคนธรรมดาปราถนาจะคิดถึงอารมณ์เขาโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกำลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกแค่แต่เดาเดาเพระโศดาบันจะมาเข้าใจอารมณ์ขเขาข้าณาคามีมันก็ไม่ได้เพราะตัวยังไม่ถึงก็คิดได้แต่อารมณ์ห ย, ยาบหยาบถ้าดีตัวได้เท่านั้น พระนาคามีจะมาเข้าพิจารณาเข้าใจถึงอารมณ์ของพระรอรหันต์นั่นก็ไม่ได้อันนี้ตามพระบาลีมีอยู่คือมาองค์สมเด็จพระบร ม, มครูลงจากดาวดึงที่ประตูเมืองสังกัตนาคลครสมเด็ดจวชินวร์ตัดถามปัญหาของปุถุชนปุถุชนตอบได้ถามปัญหาของคนที่มีฌานปุถุชนตอบไมได้บุคคลที่มีฌานตอบได้ ถามปัญหาของพระโสดาบันท่านที่ได้ฌานโล ก, กีตอบไม่ได้พระโสดาบันตอบได้ถามปัญหาของพระอนาสกิกธาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิธาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอนาคาคามีพระอนาคท่านที่เป็นสกิธาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระรหันพระอนาคามีตอบไม่ได้พระรหันตอบได้ ถามปัญหาของอาคสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายคือบันคือวิสัยของพระภาษาวกเบื้องซ้ายพระอรหันตธรรมดาตอบไม่ได้อาคสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลาตอบได้ถามปัญหาวิสัยของพระอาคสาวกเบื้องขวาพระโสดาพระพระโมคคัลลาตอบไม่ได้ภาษาดิบทตอบได้ถามวิสัยของพระสมมาสมพุทัเจ้าภาษาดีบทตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องถามให้ในภาษาดิบทจึงตอบได้ นี่เป็นอันว่าเรื่องที่เรายังไม่ถึงมันเป็นอกินไตนิฆราว่าที่เป็นอรหันต์แล้วจะต้องตายในวันรลงขึ้นก็เป็นเรื่องไม่ควรคิดมีหลายท่านบอก ว, ว่าถ้าแบบสมมติว่าทรถมีน้ํามันอยู่มาวิ่งไปถึงสถานีแล้วก็ยังจะวิ่งต่อไปได้นั่นมันเป็นรถยนต์ถ้าบังเอิญเป็นรถไฟถ้าสุดทางแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ได้แต่วิ่งกลับ แต่สําหรับพระอริยเจ้าก็วิ่งกลับไม่ได้เหมือนกันถ้าเปรอะหัน์แล้วจะถอยหลังมาเป็นพระอนาคามีสีทาคามีนี่ถอยไม่ได้นี่เป็นจุดบังคับในรายการหนึ่งเรื่องพระอหัน์ก็เป็นสภาวะอจินไตยอย่างพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่จะนิพพานอยู่ๆก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นขออนิพพานในห้องที่ตนเกิด ที่มันดาคร่าท่านห้องไหนท่านจะนิพพานที่นั่นอย่างพระมหาโมคคลานะเวลาที่ถูกโจนทุบท่านไม่ยอมตายเมื่อโจนไปแล้วอดีฐานประสากนกระดูกให้ติดกันเาอมลาองค์สมเด็จตรสสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปนานิพพานนีเรื่องนี้ก็ต้องคิดอย่างพระอันมันก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะนิพพานรู้การนิพพาน ว่าถ้าเรานิพานแล้วนี่บรรดาญาจะทะเลาะ ก, กันเะนั้นยิ่งไปนิพานบนอากาศระหว่างแม่น้ํ า, าทั้งสองฝั่งทางโน้นญาติข้งแม่ค้างนี้ญาติข้างพอนิพานบนอากาศอดิฐานเตโชธาติเผาร่างกายอดิฐานให้กระดูกต้งในกายนี้แบ่งเป็นสองส่วนตกฝั่งโน้นหนึ่งส่วนตกฝั่งนี้หนึ่งส่วนนี่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่าน อันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นรหันขั้นชนะพิญโยหรือต่อไปเรียว่าพิญญาหกหรือปฏิสมัมพิทายาณเป็นอันว่าเรื่องนี้อจะมาไม่ขอตอบขอตอบติดเพียงว่าตามที่พระอาจารย์บอกมาว่าเป็นเรื่องของอจินไตไม่ควรคิดคือมีคนถามหลายคนก็เลยบอกว่าจะขอถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าตอบเขาไปสิ ว่ามันเป็นเรื่องของไอจินไต ย, ยังไม่ควรจะคิดถ้าอยากจะรู้จริงๆให้ทำตนเป็นพระหันเสียแล้วเขาจะรู้เองเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งนี้คนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งโน้นเขาบอกว่าโน้นในแดนโน้นมีทองคำมากมีเพชรพลอยมากจะเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้ยวยทองคำเต็มด้วยเพชรพลอย แต่คนฝั่งนี้ไม่เคยเห็นทองคำไม่เคยเห็นเพชรพลอยมีแต่ผืนแผ่นดินธรรมดาคนนั้นจะมาพูดยังไงก็ตามทีดีไม่ดีแ่ก็หาว่าบ้าทางท่านนีของนั้นเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะเดินไปทางไหนก็ตามมีแต่ดินมีแต่หินไม่มีทองคำไม่มีเพชรไม่มีพลอยข้อนี้มีปรมาชั้นใด แม้เรื่องของพระอาเดียเจ้าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องของพระผู้ทรงฌานและท่านผู้ทรงฌานก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นอาจินไตคือเป็นวิสัยที่ไม่ควรคิดสําหรับบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงพระบรรดาท่านพุทธบริสัตว์ทุกท่านวันนี้ก็ขอมาสรุปเรื่องราวคว้าการปฏิบัติความเป็นพระอาหารหันต์คือเป็นประโสดาสิกาคานาคาพระอาหารหันต์การปฏิบัติแบบย่ อ, ยอ แต่ความจริงปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่เหยียบเป็นแบบปกติของท่านที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยมากสักหน่อยในรายการหนึ่งก็ได้แก่บุคคลที่เป็นฆราวาสแล้วต้องไปละหันแล้วต้องตายในวันรุ่งขึ้นเอามาพูดสู่กันฟังในที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นที่ตอบไปแล้วสัส้นๆก็คือเป็นอาจินตาย ทานี้เพราะอะไรก็คนตอบคนพูดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถามราอ า, จารยจันครับ ร, าาาร่ายจันท่านยิ้มบอกว่ามันเป็นเรื่องอาจินไตเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะรู้ได้ยังไงเด็กที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไปถามเด็กกำลังบานเรียนหนังสือเขาว่าอย่างไงเด็กกูนั่งอ่านหนังสือให้ฟังเด็กที่คนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้ตัวนี้ตัวกอตัวขอตัวขอไอ้เจ้าเด็กที่ไม่เคยเรียนมันก็ฟังส่งเด็ก ตอนนี้มาฟังเด็กที่เรียนอะดบาลไปฟังเด็กที่เรียนชั้นมัธยมชั้นปถมต้องอ่านหนังสือฟังเขาคิดเลขให้ดูแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่กับไอ้นั่นมันผสมกันอ่านว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้นี่ข้อนี้ชั้นใดบรรดาท่านผู้บริษัททั้งหลายพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นอรหันต์แล้วทําไมจึงตายในวันลุงขึ้นก็ลงเป็นอรหันต์ดู และจะได้ทราบชัดื่าคำพระพุทธรดมหลักขององค์สมเด็จพระบรมครมูเขาทำไมจริงเป็นเช่นนั้นอนบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ท่านใชบับการฉลุสรุปคาเป็นพระอาริยเจ้าความจริงย่อดดีง่ายดีในการปฏิบัติอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกัน ไม่ต้องไปจับนี่ต้องไม่ต้องไปจับนั่นให้มันเกกะเหมาะสําหรับบรรดาท่านผู้ตบริษัททั้งหลายที่มีวิสัยเป็นสุ ข, ขวิปสัสสโกสำหรับวันนี้มองดูเวลามันก็หมดเส้แล้วความจริงสองหน้านี่รู้สึกว่าพูดไวไปหน่อยเพราะใช้เวลารีบจะรวบรัดให้มันจํากัดก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านผู้ตบริษัทรับฟังสวัสดี